น่อไปเสียนพากันตั้งใจสงบกายสงบวาจ า, าก่าตั้งทำต่อไปนะโมตัสสะสัตว์ตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัจ้านะโมตัสสะสัตว์ตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมตตาสัตว์สัตวตอวอะไตัสัมพันุทุต่างุคโยุณวัตตอุตโตโยตุอุนัสตาัมมะปริยายัตตอัตโตชาชาญตมันตุิตัสตังทัมโมตสสัตโตุ เน้บัดนี้จะได้แสดงรมนิพฐานพรรณนาสาสนาธรรมคำตั้งสอนตวงองค์สมเด็จพระภูมิชาตาเจ้าพอเป็นเครื่องประทับประชองสลองประชาแห่งท่านพุทต่สาชนิสตชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันมงคนสมัยอันหนึ่งซึ่ง พวกชาวข้าอีสามของเรานือกันว่าเป็วนวันเดือนกั้งอดับเป็วนวันข่าประดับดินปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราถึงวันเช่นนี้ข้าเราพากันมาไปชุมที่วัดเพื่อทำบุญทำกุศล ส, ส่งกันไนผล หาผู่วายจนกินสื่อไปสู่ประโลกเบื้องหน้าเกิดนั้นทุกท่านทุกคนวันเช่นนี้ทางหาบุคคลผู้ใดไม่ได้แต่ทำบำเพ็ญบุญกุศลถือว่าเป็นคนที่ไม่มีกระปัญญูปกับใจชีถึงผู้ตายอันหนึ่งเมื่อเชนเช่นนี้พวกเราท่านทั้งหลาย ที่ได้คิประเทนนีของชาาอีสานโบราณเรามาจึงได้ชากันชร้อมกันก็ทำบำเพ็ญเท่ากระดับดินซึ่งพวกเราก็ทำบำเพ็ญมาแล้วต้องเสีตอนเช้านอกานั้นยังพาดันได้เราละสวดมนต์สมาทานศีลอย่างที่พวกเราทำกันไปเสร็จึินเมื่อชื่อนี้เอง ต่อ น, นั่นไปจงพาใจตั้งใจระดับทำธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการตังธรรมธรรสั่ ง, งสอนของพระพุทธเจ้านั้นหากเราตั้งออกตั้งใจสดับปรับฟังจริงจังแล้วอนิสงร่างเกิดขึ้นถึงห้าอย่างตามตานานท่านกล่าวไว้ค <c oughs> ทวอ น, นิสงข้อต้นท่านบอ ก, บอกว่า ฟังคำย่ามใดยินใดฟังจิงที่ตอตนไมเ่เคยไดยินใดฟังเป็นธรรมดาอยู่เองเราอยู่บ้านอยู่ช่องของเราการที่จะดราพูดจาปลาศสถึงธรรมชามโมย่อมมีน้อยหรือไม่มีเชื่เราสักเดินดาเหวุนั้นความเข้าใจาในธรรมในยินในจริงน้อเต่าก็เหตุว่าเราขาดการศึกษา ข า, าดฟังกระบาดขาดฟังเมื่อเราเข้ามาวัดมาวาเจินตารเจิมสมัยเจิ่วนว่าวันพระวันศีลอย่างวันนี้พวกเราได้มาประดับประดังคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชื่อท่านสะเดงเตใสบาง ตาบางเสมอบางท่านบางคนก็อาจจะไม่เข้าอกเข้าใจหรือไม่เคยได้ยิ น, นได้ฟังเรื่องเดียวจะเป็นได้เหตุนั้นท่านเชื่อว่าการฟังคำย้อนได้ยินได้ฟังเสียงที่ตนมเคยได้ยินได้ฟังนั้นเป็นข้อต้นข้อที่สองลองลองไปสิงเดีที่คนเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจเ ว, วิมซันดนี่หลงลืมไป เมื่อเราฟังอีกเป็นครั้งที่สองออลลกดด็อ่านละเล็กเล็กได้ขันเชยแสดงถามข้อนั้นข้อนั้นอยู่ที่นั้นที่นั้นเมเรากระดับตับฟังความเข้าใจที่เราสงสัยลังเลก็เลยเข้าใจควนมใส่ชื่นได้ในเมื่อเราหลงเราลืมไปแค่ที่สามผู้ฟังทำย่อมมี จิตสจค่องสาเพราะคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องครอบเป็นเครื่องสำลักตัดสังจิตใจที่ยุ่งเหยงิงหรือที่เศร้าหมองให้คล่องาสได้นี่เป็นอา น, นิสงส์ของสู้ที่ตั้ง อ, อกตั้งใจกระดับกระดัังเป็นข้อที่สามข้อที่สือย่อมบรรเทาความสงสัยท้องสนเทียบ้าน เช่นเราสงสัยว่าการทําดีหรือทำบุญจะได้บุญหรือไม่การทําบาปจะมีบาปน้อยมากอย่างไรนรือจะได้บาปหรือไม่เราไม่เข้าเข้าใจว่าเป็นอย่างไรเมื่อเรากระดั บ, บาตาฟังคาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อาจบรรเทาความสงสัยของเราในทางได้เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้ทาทําความเห็นของตนให้ถูกต้อง ตามคำนองความธรมนี่แหละพูที่ตั้งอกตั้งใจประดับตัดตั้งคำคำตัางสอนของพระพุทธเจ้าได้รับอนิสงสิงห้าประการเหตุนั้นพวกท่านพุทธมามาตักทั้งหลายจงพาันพยายามตั้งจิตั้งใจต้องตนไวให้ดีเมื่อท่านระดงบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ ก็ให้ที่นึกที่จเจรนะิาอยู่ที่ใจของตนนั่นเองเพราะใจเป็นที่รองรับเอาสิ่งคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าผู้จะดงจะไม่เข้าอกเข้าใจในธรรมมากน้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าหากเราตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจของเราเอาเอาส่วนอืน่นออกไปหมดเอาพุโทโธมาประจําจิตใจของเราจิตใจของเรา ถึงจะไม่เข้าใจในกานแะดงของท่านเปแตวจิตใจของเราก็จะหยอดเย็นเป็นสุ ข, ขพเพราะฟุกโตเข้ามาประจำในดวงจิตของเราียบดนั้นตามฟังคำจึงสัาคำอยู่คือกามตั้งใจเป็นเบื้องต้นวันนี้จปโชคดีของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ไยาม สละจิตการบ้านเรียนของเรามาสู่วัดบาอาวาประชุมกันเป็นจำนวนมากเพื่อจะบําเพ็ญบุญกุศลํราระจิตใจทั้งตนการําระจิตใจและการบําเพ็ญบุญกุศลเป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนไม่ว่าตู่เล็กตู่ใหญ ว่าต้องจะทำบำทําเพ็ญให้เกิให้เที้ยนสิ้นขพโาะเว่าบุญกุศลเป็นของสิที่์ผพวกเราท่านทั้งหลายทัว่วไปส่องสารท่านจึงว่าสุขโหรบุญตะอุจโยบานสังสมสิงส่งบุญสิ้นสึ้งบุญนำ ม, มาสิ่งความสุขความสุขของพวกเราเราท่านทั้งหลายจะเกิด จะมีขึ้นได้ก็าอาศัยเพราะการสั่งสมขึ้นมีใา่ว่าของทุกสิ่งทุกอย่างเราปรารถนาเอาก็จะสำเร็์ประโยชน์ทั่วไปอาศัยการสร้างขึ้นหรือสะสมขึ้นจึงจะมีหากไม่มีการสั่งสมไม่มีการกระทำบำเพ็ญของภายนอก ก, ก่เกิดก่อเกขึ้นในบ้ของภายในเหมือนกันเรื่องจิตใจก่ออาศัยการกระทำำําบําเพ็ญจึงจะเป็นไปเถิดความก้าวหน้าหรือเป็นไปเถิดความสุขความเจริญในตนของตนเกิดนั้นการกระทำำําบําเพ็ญของพวกท่านที่เทศาสนิสัยชนในวันนี้เรื่องต้นก็ได้ชากันฉวายนินทานยินทบาทแก่พระพิสุสามเณร ต่อมาก็าเลยทากันไหว้พระสวดมนตสมาทาทนศีลส่วนเหล่านี้แหละจปนจิตสำคัญอันหนึ่งซึ่งจะยังพระพุทธา ศ, าศาสนาให้จเจริญท้าวอต่อไปเพราะเหตุว่าศาสนาจะต้องอาศาัยเรื่องของพุทธบริษัททั้งสี่คือมีิกษุสามเมเนรุบาศกอุบาชิตาเป็นผู้ดูแล ร, รักษาหากว่าขาด บริษัตต่องสื่อดูแลรักษาศ า, ษาสนาก็เป็นไปหน่อยไดกความสุขใจสุกใจนิเใช่ว่าบุคคลผู้อื่นจะสร้างสมขึ้นให้เป็นเรื่องของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องพยายามจะทำบำเพ็ญให้เกิดให้เชิญกินในตัวของตัวบุญกุศลคือเราจะทำบำเพ็ญจนต้นว่างให้ทานอาหารบินฑบาทก็ดีหรือไหวพระตสวจมณีก็ดี สมาทานถยงกด็ดีหรือตั้งจิตตั้งใจฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเวลานี้ก็ดีเลื่อนจนหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ในปัจจุบันทันตาหากว่าท่เนผู้ใดตั้งใจจะดับกลับฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรงกระแสจิตติดตาม อารมณ์ต่่งๆั่งไอยดานสะกดจิตไม่ให้ไปจิตกับอารมณ์จิตของเราตั้งต่อทำคำสั่งสอน ข, ของพระพุทธเจ้าเราจะบริสัมพุทธธรรมโมสังโฆหรือจะทำอย่างไรก็าตามแต่ให้อยู่ในเรื่องของธรรมแล้วจิตใจของผู้นั้นจะได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นปราศจากทุกข์ คือคามร้อเรนกวนกวายหรือคามเจ็บปวดโดยอำนาจทำค า, าสั่งสอนอย่างที่อริบายมานี้แหละเข้าไปจำระสาสางหยตดใจที่เคยมัวหมองใจผ่องใสตจด้างบุญกุศลที่เราอุตสาห์จะทำบำเพ็ญในวันนี้นอกจากตัวของเราจะได้รับคาระตปชน ด, ดว่าเราได้จะทำบำเพ็ญ เป็น ง, งานความดีในวันสำคัญซึ่งบรรพบุรุษของเราได้กระทำบรมเพียนมาแล้วนอกนั้นเรายังตั้งใจอุทิศบุญกุศลที่เราป็ะทำไปให้เจเจตชนที่เรื่องรับแบบผันไปพ้าวันนี้ตามสมมุติของโบราณท่านกล่าวว่าทยายนที่บานคล่อยสัตว์นรกออกมารับไผยชานจากบรรดาลูกหลานหยาดนิด วิสพ่อแม่ที่น้องขางตนบุคคลที่ได้อุทิศบนกู้สนไปให้พวกตัวชาชนเหล่านั้นก็จะได้รับอนุโมโทนาอาหารการกินซึ่งเคยอดหยากลำบากก็จะสมบูรณ์ควรสุขขึ้นเพราะอานานจะที่เราอุทิศบนผู้สนไปให้เขา เศษนั้นบรรทัศบุญของเราจึงนิยมการทาบำทําเพ็ญกันการอุทิศบุญตั้ให้สัตว์อื่นหรือผู้อื่นก็เป็นทางสเศษถึนสิ่งบุญผู้เของเราเหมือนกันท่านจึงว่าตัดสิทาน่าไมา่บุญสํมรสด้วยการให้ส่วนบุญเสวสัตว์ั้งสัตว์เอ๋ยเสวะบุคคลผู้อื่นเศษนั้นาการกระทําบําเพ็ญทุกข์สิ้นทุกอันเราจึงควร อุทิศบุญกุศลคือเราก็ทำบำเพ็ญเหมือนนั้นไปให้เก่ดบรรดาสัพพัสให้รับอนิโมทนาส่วนบุญจากเราตัวตัวของเร า, เาที่อุทิศไปจนที่จะหมดบุญหมดกุศนไม่เป็นอย่างนั้นบุญกุศลกับ พ, พรอมปูนทวปูณขึ้นเหนือนกันกับเรามีดวงใจอยู่ดวงหนึ่งว่ามีคนอืนนะ่นมาขอจุด หรือเขาให้เขาจีบไปอีกดวงหนึ่งความสว่างใสจางออกไปก็ปย่อมมีเป็นธรรมดาเมื่อมีสองอันก็มีสองสความสว่างก็มากขึ้นเมื่อมีมากอันความสว่างก็มากการให้อุทธิศบุญกุศลไปให้สัตวสัตว์ก็เหมือนกันไม่คิบหายบุญกุศลคือเราอุจีบไปให้ เศวตนั้นเรื่องบุญผูส้สนทั่วไปทวกเราท่านผู้ปราชญชนุดปรชนทุกท่านทุกค น, กคนจงพยายามจะทำบำเพ็ญสัญขวายให้เศวตได้มีขึ้นเพราะเรื่องบุญนามาซึา่งความสุขอย่างที่ชาติยึกขึน้นเป็นตนว่าสุโคเป็นวัตถุโยนั่นเองบุคคลทั่วไปจะสำเร็จความสุขทางกายทางใจได้ก็เพราะอาศัยเรื่องของบุญของผู้สนทั้งนั้น นี่คือว่าปรารถนาเอาตปล่าๆแล้วความสำเร็จส่วนนั้นก็จะเกิดส่วนมีขึ้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นก็อาศัยการจะทำบำเพ็ญของเราเถึงไม่ปรารถนาความสำเร็จจะเกิดขึ้นเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารจะปรารถนาให้อื่นหรือไม่อื่มก็าตามหรือไม่มีความปรารถนาอย่างเราประทานแต่เมื่อเรารับประทานลงไปไม่หยุดไม่ถอย การอินของเฉพาะอาหารหรือลามไส้จะบอกเราเองว่ามันพอขึ้นแต่การอื่นนั้นจะอุดหนุนข้ามจูนกันมาทุกคำข้าที่เราเอาข้าวใส่ในปากของเรานั่นเองนี่เท่าไรกินคำเดียวแล้วจะอินทีเดียวก็ไม่ได้มีการทำบุญบำเพ็ญกุศลทั้งหลาย พวกเราอุตสาหพยายามจะทำบำเพ็ญมาใม่ว่างให้ชาลักษาเียงเจริญเนตรตาภาวนาหลายครั้งหลายทีหลายปีหลายเดือนก็จะเป็นไปด้วยบุญเมื่อเรามีบุญอยู่ในตายในวาจาในใจของเราบุญกุศลเหล่านี้แหละจะเป็นที่ถึงชาอาศัยของพวกเราต่อไปในวันหนะ้าหรือในชาติหนะ้า เพราะว่าบุญผู้สนที่เราฝิดผลสร้างสมโอเยอมเอาแล้วไม่จุดหายไปโดเไทาทั้งสงี่คือโจรจะมารักมาชโมยเอาบุญเอาขู่สนจากบุคคลผู้ที่ได้แต่ท า, บ, าทบําเพนย่อมไม่เคยมีว่าโจรที่ไหนจะต้นเอาบุญจากบุคคลผู้นั้นผู้นี้ท่านเชื่อว่าบุญของสิ่งที่ปราดจากไทยทั้งสี่คือโจรไทยอัิคีไทย เะากไ็ไม่ได้อยู่ทษาะไทยน้มก็ท่วมไม่ได้ราชทัยพระราชาจาริศเอาสมบัติที่บุญกุศลของเราไปก็ไม่ได้บุญกุศลจึงติดตนตามตัวไปในที่ต่างๆเราจะลงนะ้ำบุญกุศลก็ลงไปตามเราจะขึ้นเขาบุญกุศลก็ขึ้นไปตามไปอยู่สถานที่ใดบุญกุศลจะต้องส่งฝนให้ ติดตามเราไปเหมือนกันก็ว่างเงาเหตนั้นท่านบันดิตนา迦ทั่วไปจินชากันอุศสาเพ ย, ยยามสร้างสมเอาซึ่งบุญกุศลทุกการทุกสมัยเพราะเหตดว่าชีวิตชีวาของเราไม่ว่ามนุมไม่ว่าแก่ไม่ว่าบดไม่ว่าผู้ใหญ่ภัอันตรายมีอยู่ร อ, อบดา้าน เด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายผู้เฒ่าผู้แก่ก็ตายจะว่าคนเกิดใหม่จะเป็นคนเอาเราไปฝังที่ป่าชาหรือไปเผาเราที่ป่าชาแทนที่เราคิดว่าจะอาศัยคนที่เกิดใหม่คนนั้นเขาตายไปก่อนเราไปเอาเขาไปเผาไปฝังเสียก่อนก็มีเหตุยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของความล้มตายเหาไป เป็นได้ทุกวัยทุกชั้นทุกคนเกิดนั้นเมื่อชีวิตของเรายังมีอยู่ยงพากันอุตสาห์าเทวายนแต่ทำบาเพ็ญบุญกุศลบุญกุศลคือเราำำเไต่ทาบําเพ็ญเลยเหล่นี้แหละจะติดต้นตามตัวของเราไปเกิดในทชน้อยโชใหญ่จะมีทวามสุขสบายสบายใจเกิดต่อเกิดในขุมเงินขุมทองเกิดในตระกูลที่ดี มีสมบัติพัดส่ฐานไม่อดยากยากจนเพราะบุญกุศลที่เราได้จะทำบาเพ็ญสนับสนุนทำบูญใส่ไปใส่ฐานคือตกขู่ตำลานเบิกบานใจนอกจากนั้นร่างกายของเราที่ได้จะทำบาเพ็ญบุญกุศลไว้จะเป็นคนสมบูรณ์ด้วยอรั ย, ยาวะทุกขนทุกส่วน หนไม่หนวกตาไม่บอดอวัยวะทุกเส้นทุกส่วนครบพอบริบูรเพราะเหตุที่เราจะทาบำเพ็ญเอาซึ่งบุญผู้เบุญกู้เทด็จทูจุลใช่บุคคลผู้นั้นต้องบุญด้วยอวัยวะตลอดถึงว่าความสวยสดงดงามของร่างตายก็จะสวยสดงดงามเพราะบุญผู้เสด็จต่างเอาให้ นอกจากนั้นสมบัติพัดสถานหรือด้านสติปัญญาก็จะเกิดมีขึ้นวล้วนวิชาอะไรก็จะสะดวกสบายหรือเป็นผู้นำหน้าเขาพระบุญกุศลของเราที่เคยทำบ ม, ม, มเพนไวเติดช่องให้ได้ศึกษาเ ร, าเรียนจำได้เพราะสติ ด, ดีมีปัญญาดี แหละเรื่องของบุญกุศลส่งผลให้ในพบนี้และเทปหน้าปัจจุบันท่านตาบุคคลผู้กระทำบำเพ็ญบุญกุศลก็มีความอุ่นอกอุ่นใจว่าตนได้ทาคุณงามคามดีไปตามความสมารถของตนไม่ทำชีวิตของตนให้คป็นเหมือนเศษนั้นกลัเราท่านทั้งหลายที่ได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้จึงได้เชื่อว่า จะทำบำเพคุณงามความดีเสื่อตนของตนและส่งผลไปให้เจ้าชนคือหลวงรับบับฐันไปสู่ไปโลกเบื้องหน้าบุญกุศนคือเราเราท่านที่ทไจ้ า, ส า, า, าสาต้นนี้เจาชนจะทำบำเพลินในวันนี้นักปราชเมธีท่านจึงอนุโมทนาว่าเป็นสาธุชนคือเป็นคนดีเหตุนี้การจะทำบำเพลิน จึงจำเป็นที่พวกเราจะต้องกระทามบำเพ็ญทุกคืนทุกวันทุกการทุกส ม, มัยไปเพราะชีวิตชีวาของเราไม่ยั่งยืนถาวร อ, อย่างเชื่อที่บายมาหนุ่มสาวกว่อตายเด็กเล็กเด็กบอลก่าตายผู้เฒ่าผู้แก่ก่าตายตามตายของเราไม่เลือดหน้และไม่บอกเวลาว่าตามไหนสมัสมมยใดจะถึงสึ่งคามมรณะภัย เหตุนั้นการแต่ทำบาเพ็ญของเราเมื่อความตาย <c oughs> ไม่มีเชื่องหมายนายประกันอย่างนั้นเราจึงพากันแต่ทำบําเพ็ญเอาเสียในเมือ่อชีวิตของเรายังเป็นอยู่เราจะทำบําเพ็ญได้ในวันนี้ก็จะเป็นสาระประโยชน์ของเราในวันนี้เหรือเราจะทำบําเพ็ญมาแล้วดวงกุศล ท, ที่เราแต่ทาบําเพ็ญกอเป็นของเราใครจะมาขโมยเอาไม่ได้ เรามีชีวิตต่อไปเราต้องตั้งใจจะทำบำเพ็ญชงานความดีเทวคูณขึ้นไป ค, คนเราจะสุขตายสุขใจหรือมีความสมปรารถนาไดา้ก็เพราะอาศัยสิ่งบุญสิ่งผู้สนดีดายนานดายเป็นต่อแดนตกอเท่า น, น, นั้นนี่เชืาผู้จะตองอาไว้ว่าทงเราหรือจิตใจทงเราสตุตัญญาให้เราได้ นอกจากบุญส์เสวนต่อเต่าก่อนของเราจะเป็นผู้แป่ให้เศษนั้นอรายาะละทุึข์ทุกส่วนคนที่เราสมประกอบเป็นต้นว่าคนตาบอดจะไปหาซื้ตาที่ไหนน่าใส่ก็ไม่มีใครขายถึงวิทยาศาสตร์จ ะ, จะเรียนทราบแน่จนถึงก็ว่าทำเชื่องบินเศษดาวเทียมอะไรได้ต่อต่าจะชนะขายอรยาละ ที่ถาดตกบกช่างของบุคคลใส่เจาะคอองการยังเติมไปไม่ได้แขนขาดจะหาแขนใหม่มาใสใหเหมือนแขนเดิมเขาก็ยังทำไม่ได้ขาขาดจะเหมือนกันตาบอจะเหมือนกันจะจะเอาตาใหม่มาใสให้เจาะใส่ก็ไม่ได้เศษนั้นระไรเวลาช่วกส่วนที่เราได้มาจากบินจากส่วนของเรา จึงควรสงวนรักษาจึงควรหน้าเจตยินดีเพราะอวัยวะส่วนนี้เกิดมาจากบุญจากกุสลทางนั้นคนที่ไม่มีบนมีกุสลขาดตกบกพร่องอะไรถึงจะมีทัพย์สมบัติมากมายตายฟองสัตว์อะไรเขาก็ตื้อหาเอามาใหม่ไม่ได้บุญกุศนจึงเป็นสิน่งที่ต้องให้บุคคลมีอวัยวะสมบูรณ์เและ ปลากระจายโลกชายใช่เถิดเป็นคนสวยสดรดงามด่าดีบามันด า, าทุกท่านทุกคนปลาถนับุตรที่ดาคลังสนล้วนต่อปลาถนาัดดิบ ด, ด, ด, ด, ด, ดีดีทั้งนั้นอยากได้ลูกชายก็อยากแฉให้เป็นผู้แต้วสลาสามารถทุกสิ่งทุกประการเมื่อไรของลูกชายก็อยากให้สวยสดงดงาม่าคนผัวใจในโลก ลูกยิ้มต่อเหมือนกันยาตัวด่าลูกดีดีมีสติสั่นยาด้านอนสอนง่ายบุญกุศลคือเราก็ทํทำบําเพลินเด่น้อยเมื่อได้ลูกมาก็ไมะสมประกอบตามตามปาปัญหาของตนลูกเป็นคนเจรจาละลานเป็นคนอันท่าทาไปกาก็มีเพราะเราเมื่อปาปนาเหตใดมันจึงเกิขึ้นได้เพราะบุญกุศลของเราเต่าก่อน ไม่เพียงพอบิบูรณ์ได้ลูกก็ไมาด่ดีได้หักวก็ไมาด่ดีได้เมื้กามาอก็ไม่ดีเพราะความดีของเราไม่สมบูรณ์ขาดความดีของเราสมบูรณ์ไา้อะไรก็สมบูรณ์ทางนั้นได้กินได้เต้นที่ชอบอกพอใจเรามีที่กันอีกเพราะเหุที่เราสร้างผลงานความดีเอาไว้เหตนัน้นทุกท่านทุกคน เมื่อเข้าใจว่าบุญกุศลเป็นของสังพันธ์สามารถอาจนำฌานสุกหรือฌานสมปลาถนาของตนได้ก็เช่นแตทำบำเพ็ญอย่างวันนี้ที่สัมพัน่์กับต่อส า, า, า, าสินิจต่ชนได้พาันไหว้พระสวดมนต์หรือบูชาพระปณเจัาหรือได้ให้ฌานเช่งเหล่านี้แหละ ควรจับใจสำคัญเพื่อจะนำขวดท่านที่ได้ประทำบำเพลินเรามีความสบายสบายใจไปในภพบุญเนเื่องถึงแม้ว่าเราไม่รู้จักสวรรค์นี้ทางอยู่สถานที่ใดแตอนน่อานาจตายใจของเราที่ได้สร้างเอาซึ่งบุญซึ่งกุศลตามที่ตราประทำบำเพลินไว้ จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกสบายตามชั่วที่ั่วกเราจะทําบำเพ็ญสมุนกันอย่าเข้าใจว่าบาปไม่มีบุญไม่มีธรรมดีไม่ได้ดีธรรมชั่วไม่ได้ชั่วธรามคิดเห็นของเราอย่างนั้นเพราะเชื่อชื่อเราไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือขาดการที่นิพพิจารณาหากว่าเราที่นิพพิจารนากันเพียงจังแล้วตามชั่ว ก็ยังมีจต็มบริบูรณ์อยู่ความดีทชื่อความาไว้ก็ยังมีเพียงพอบอริบูรณ์อยู่เพราะาคำคำสั่งของของพระพุทธเจ้าเป็นอาตานิโกไม่มีามตาไม่ีสมัยคนที่ทำชั่วนอกจากตัวจะ ร, รับคามเดือดร้อนตลอดไปถึงญาติมิตรถ้ามีภรรยายิมีสามีภรรยาสามี ก็จะได้รับความเดือดร้อ น, นบีดามานดาเป็นผู้ปลุกรักษาก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นตัอย่างคนดคุมทั่ทวทางโจราตรเขาจับคุมคตัวไปได้จำเป็นดามานดาก็ต้อง่งต้ น, นไปหาเยือนเยือนหรือเมื่ออยู่ที่บ้านก็เหมือนกันก็ต้องทุกข์ร้อนเพราะเขาจับหัวงเขาไป หรือเขาปรับเนื้อไปหัวหรือดูดามานด่างก็จะได้รับความเดือดร้อนนี่แหละความทําความชั่วได้รับความเดือดร้อนไม่ใช่แต่ตัวของส่วนนอกจากนั้นยังแผลเข้าไปถึงบาดมิดของเราเวษนั้นความชั่วในปัจจุบันก็มีประจักอยู่กูถือทำไม่ดีจะเห็นความทุกข์ยากลําบากจะได้ห็นความเดือดร้อนเกิดขึ้นในาจในใจของตนก็ไป อยู่สถานที่เใาอาบน้ำฝังมันก็ยังไม่เย็นเพราะจิตใจมันร้อนผู้ที่มีความเดืดร้อนอย่างนั้น <c oughs> ก็เพราะเขาไม่ระวังทั้งบอกจะทำไปตามความ่เห็นท้องตนไม่คิดนึกคิจะรณายงานผลของความชั่วจะเถิดเขาอย่างไรถ้าหาที่นิกิกจะรายัานจริงจังแล้วความชั่วที่เราทําำจะเถิดเขาตัวของเรา กูที่ไคยทำก็เดืร้อความเดืดร้อนอย่างเดือดที่บายมาเป็นต้นว่าเราสมุยใส่เข า, า, าเราสมุยหัวฝายเขาเอามาฆ่ามากินเป็นอาหารก็ฆ่าอยู่ในใสถานที่ทิ้นุมชนก็ไม่ได้ทิ้งได้นี้มาจากที่นั้นาานั้นจะเอามาอย่างเปิเผยก็ไม่ได้เอามากินเหล้าก็เหมือนกัน รัวเจ้าของเขาจะเห็นเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นไปพบหน้าเจ้าของเขาเมื่อไรก็คอยใจว่าเขาจัดทักตนหรือจับตนว่าไปขโมยของเขาเป็นอยู่อย่างนี้ความเดือดร้อนของผู้ดีทําชั่วผู้ดีทำดีหระไปสถานที่ใ ด, ดจะดูกายสบายใจไม่คิดว่าบุคคลผู่นั้นเขาจะจับกุมคุมตนไป ติดคุกติดประลางก็เหอบป่เราไมาเ่เคยทำสั่วไปสถาน ท, ที่ดใดมูคณะใบนีอเชื่อใจ